วันเกิดใหม่เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าลืมตาขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวเป็นครั้งแรกแต่ยังเบลอ ER ๆ ER อยู่ได้ยินเสียงพยาบาลพูดว่าขณะเนี้ยคุณอยู่ห้องไอซีโรงพยาบาลนะคะข้าพเจ้าอยากรู้ว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็พูดไม่ได้เพราะมีท่อมีสายต่างๆระโยงระยางไปหมด จึงขอกระดาษมาเขียนถามพยาบาลตอบว่าสามวันแล้วค่อยๆ ค, คิดทบทวนลำดับวันเวลาคงจะเป็นวันที่22มกราคมแต่หนุ่ยบอกว่าข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ขอกระดาษมาเขียนข้อความแรกที่เขียนก็คือโทรไปถามป้าแป๋วหน่อยว่ามีเด็กมาอบรมที่วัดวัปูแก้วหรือเปล่า แสดงว่าจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้ายัางยึดติดอยู่ที่นั่นถ้าจิตดับตอนนั้นไปดีคงไปเป็นเทพอยู่แถวนั้นหากโชคร้ายจับอารมณ์อกุศลสงสัยจะได้ไปเป็นเปรตเฝ้าวัดเป็นเรื่องแปลกที่วันที่ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นวันที่21มกราคมตามที่หลานบอกหรือวันที่22มกราคมตามที่ข้าพเจ้ารู้สึกก็มีความเกี่ยวข้องกับพ่อของ ข, องข้าพเจ้า คือวันที่21มกราคมเป็นวันตายของพ่อส่วนวันที่22มกราคมเป็นวันเกิดของท่านจิตอยู่ที่ไหนพอฟื้นขึ้นมาใครๆมาเยี่ยมก็มักจะถามว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคงจะคิดว่าข้าพเจ้าไปทัวร์สวรรค์นรกจนเพลินเจ็ดสามวันแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปไหนเลยหลับไปก็ไม่รู้ ตื่นมาก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อพุทธที่ว่าคนธรรมดานั้นตายก็ไม่รู้ว่าตายเกิดก็ไม่รู้ว่าเกิดนิถ้คข้าพเจ้าตายไปตอนนั้นก็คงไม่รู้หรอกว่าตัวเองตายไปแล้วหากการฟื้นมาเป็นการเกิดใหม่ในอีกภพภูมิก็คงลืมเรื่องราวก่อนมาเกิดใหม่ไปหมดก็แค่สลบไปสามวันก่อนสลบทาอะไรไปบ้างยังจาไม่ได้เลย เพราะเหตุนี้กระมังเราจึงจำอดิตชาติไม่ได้ผู้ที่เห็นอาการของข้าพเจ้าช่วงดิ้นสุดฤทธิ์ล่ะคิดว่าข้าพเจ้าคงทุกทรมานน่าดูบางคนอาจแอบคิดว่าถ้าตายตอนนั้นคงไปอบายภูมิแน่แต่มันไม่แน่หรอกกายกับจิตมันคนละส่วนจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าจิตของข้าพเจ้าไม่ได้ไปเกาะทุกขเวทนาทางกายเลย กายดิ้นก็ดิ้นไปแต่จิตไม่ได้ดิ้นไปด้วยพอฟื้นขึ้นมานั่นแหละเมื่อกายกับจิตกลับมาสัมพันธ์กันจึงมีความรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวไปหมดวันที่มีโอกาสไปกราบหลวงตาจึงเรียนถามท่านว่าตอนที่สลบอยู่จิตหนูไปอยู่ที่ไหนมันไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยแล้วกายที่เขาว่าดิ้นตลอดเวลาดูน่าทรมานจิตก็ไม่เห็นไปรับรู้เรื่องของกายท่านตอบว่า อยู่กับผู้รู้ข้าพเจ้าก็กราบเรียนประษาโง่ว่าผู้รู้อยู่ไหนหนูก็ไม่ทราบท่านเมตตาอธิบายว่าธรรมดาของผู้ภาวนาเวลาเกิดทุกขเวทนากล้าจิตจะเอาตัวรอดทิ้งเวทนาหลบไปหาผู้รู้ท่านยังเล่าถึงประสบการณ์ตอนท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นวันนั้นฉันยารบายไปปรากฏว่ามีอาการถ่ายรุนแรงมากและยังอาเจียนออกมาอีกอาเจียนพุ่งเข้าฝาเลย พอเกิดเวทนากล้าท่านคิดว่านี่เราเป็นหนักขนาดนี้เชหรือจากนั้นจิตก็ทิ้งเวทนาไปอยู่กับผู้รู้ผลของการไม่ทิ้งการภาวนา จากคาอธิบายของหลวงตาทําให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความจำเป็นที่ต้องภาวนาอย่างต่อเนื่องคือทําสติให้ได้ทุกเวลานาทีใดบ้างเสียบ้างก็ตะเกียกตะกายทำไปเถอะอย่างที่หลวงตามักจะพูดว่าล้มลุกคลุกคลานไปก่อนมีหน้าที่ทำก็ทำไปให้ดีที่สุดโดยอย่าไปคาดหวังผลอะไรสร้างเหตุที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นตอนเริ่มภาวนาใหม่ๆข้าพเจ้าก็อยากจะเห็นโน่นเห็นนี่ ไดโนนได้นี่พอไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นก็เลยชักขี้เกียจกราบเรียนหลวงพ่อพุธว่าภาวนามาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยท่านสวนกลับมาว่าเขาภาวนาเพื่อจะปล่อยปละละวางไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาทําไปเรื่อยๆดีที่ข้าพเจ้าไม่ดื้อรั้นกับครูบาอาจารย์ก็เพียรทําไปตามคําสั่งของท่านปรากฏว่ามันได้มากมายมหาศารโดยเฉพาะตอนเข้าตาจน สติสัมปชัญญะที่เก็บเล็กประสมน้อยมาอย่างต่อเนื่องมันเข้ามาส่งเคราะห์เราได้เป็นอัตโนมัติอย่างเช่นเมื่อปีพศ .2537 ข้าพเจ้าก็เฉียดตายมาแล้วหนหนึ่งตอนนั้นเดินทางกลับจากการไปสัมมน า, าทางวิชาการที่อำเภอแม่สอดรถที่นั่งมาเป็นรถบัสสองชั้นเกิดเบรคแตกขณะที่วิ่งลงเขาเบริเวณดอยมูเซอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสองสัปดาห์ เพิ่งมีอุบัติเหตุรถตกเหวมีคนตายยี่สิบกว่าศพข้าพเจ้านั่งแถวหน้าสุดหลังคนขับเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเจนมองไปทางไหนมีแต่เขากับเหวแถมยังมีรถสวนที่เกือบจะประสานงานกับรถที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ถึงสามหนดูไปดูมาไม่เห็นมีทางรอดเลยในสถานการณ์ที่หวาดเสียวระทึกใจขนาดนั้นแทนที่จะสติแตกวันไหวหวาดกลัวกลับตรงกันข้าม จิตบอกกับตัวเองว่าเจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายหนีกรรมไม่ได้แล้วตั้งสติรู้ไว้ที่จิตพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ไปปรุงแต่งว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาหนว น, นี้จิตที่สะสมพลังสติสัมปชัญญะมาอย่างค่อนข้างต่อเนื่องก็สามารถเอาตัวรอดได้ในยามขับขันเป็นไปเองอย่างอัตโนมัติเพราะฉะนั้น จงเชื่อฟังและเดินตามรอยที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาทมเถิดทุกระบบเข้าที่ภายในวันเดียว ด้วยเมตตาบารมีอันหาที่สุดไม่ได้ของพ่อแม่ครูอาจารย์อันมีองค์หลวงตามหาบัวเป็นปรถมทุกระบบในร่างกายที่ระส่ำระสายมากทั้งระดับน้ําตาที่ขึ้นสูงปริษเกลือแร่ที่วูบต่ําลงอย่างฉับพลันความดันที่ต่ําจนน่ากลัวกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติภายในวันเดียววันรุ่งขึ้นหมอจึงอนุ ญ, ญาตให้กลับบ้านได้แต่ข้าพเจ้าขออยู่ต่ออีกวันเพราะปวดตามเนื้อตัวมากคงจะเกิดจากแรงดิ่ n วันต่อมาหมอก็สั่งให้กลับบ้านอีกข้าพเจ้าอ้อนวอนขอต่ออีกวันหมอจำยอมอนุโลมโดยบอกว่าวันเดียวจริงๆนะต่อไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่รู้จะรักษาอะไรอีกเนื่องจากทุกอย่างเป็นปกติหมดแล้วทำงานเพื่อพระศาสนาทันทีทันทีที่ถึงบ้าน ข้าพเจ้าติดต่อโรงพิมพ์ชวนพิมพ์ที่ส่งต้นฉบับหนังสือฐานิยะปูชา2548ไว้ก่อนเกิดเหตุให้ส่งต้นฉบับที่เรียงพิมพ์แล้วมาให้ตรวจด่วนเพราะยังไม่ได้ตรวจเลยสักรอบซึ่งปกติจะตรวจอย่างน้อย 3-4 ถึงรอบตอนนั้นมีความทุกข์ทรมานจากการปวดตามตัวไปทั้งตัวอย่างสาหัสสาการมากแต่ก็จาฝืนพยุงกายนั่งตรวจงานโดยมีกระเป๋าน้าร้อนองอยู่ที่หลังตลอดเวลา หนังสือนี้ต้องเสร็จทันวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อพุธเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองอาทิตย์สู้เอาจนเสร็จทันเวลาและภูมิใจมากไม่ได้นำไปถวายหลวงตาในวันที่ไปกราบขอพระคุณท่านที่วัดป่าบ้านตาดได้กราบเรียนท่านว่านี่คือผลงานเพื่อพระาศาสนาชิ้นแรกนับตั้งแต่หลวงตาชุบชีวิตขึ้นมาผลงานอีกชิ้น ที่ได้ทำหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ไม่ถึงเดือนคือไปบรรยายในงานสัปดาห์มาค้าบูชาที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19ก้าุมภาพันธ์และในวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปกราบเรียนรายงานหลวงตาที่อุดรกราบเรียนท่านว่าการบรรยายครั้งนี้ได้นำธรรมะของหลวงตาไปพูดด้วยหลวงตาเทศว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่ประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาถ้าใครอยู่บนแผ่นดินนี้ นับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติถือว่าเหยียบแผ่นดินผิดการเดินทางไปบรรยายครั้งนี้นับว่าทรหดพอควรเพราะนอกจากข้าพเจ้าจะเพิ่งออกจากไอซูมาไม่ถึงเดือนยังเพิ่งรับการผ่าตัดเนื้อ ง, งอกในกระเพาะปัสสาวะมาไม่ถึงอาทิตย์ตอนที่เขาโทรมาเชิญพอทราบว่าข้าพเจ้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เกรงใจจะไม่รบกวนแต่ข้าพเจ้ายืนยันว่าไหว เพราะในขณะนั้นจิตคิดอยู่เสมอว่าหลวงตาให้ชีวิตเราเพื่อมาสร้างความดีและมาทำประโยชน์แก่พระาศาสนาจึงไม่ลังเลที่จะรับคำเชิญเดินทางจากโคราชเข้ากรุงเทพก็เอากระเป๋าน้ำร้อนอังหลังตลอดทางพอน้ำหายร้อนเจอปั๊มที่ไหนก็ไปขอหรือขอซื้อน้ำร้อนเปลี่ยนขณะบรรยายบนเวทีก็มีกระเป๋าไฟฟ้าอังหลังไว้เหมือนกันเพราะมิฉนั้นจะปวดหลังมาก